จริงๆพระที่เป็นฤาษีมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าทําที่ 2 ตุลาคม 2537 เป็นการบรรยาย ท่านสาธุชนที่เคารพการบรรยาย 33 เป็นหลักเป 32 ได้อธิบายถึงโลกุตตร ได้แสดงโลกุตระจิต 8 โดยพิสดารได 8 หรือ 40อ40 นั้นเป็นการแสดงโดย 4 เมื่อ 5 เป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแล้วก็ปัญจมฌานก็กลายเป็น 20 ส่วนผล 4 เมื่อเอา 5 ฌาน 1 ไม่ 1 เกิด 5 ถ้า 1 คู่ 1 ก็จึงทําให้ผลนั้นเท่ากับมรรคเหมือน 40 20 นะรวม 40 นั่นคือ 40 ที่เราค่อนข้างจะเคย ส่วนนี้ที่ปรากฏใน 40 แต่ละครับออก 4 ที่ว่าปโยคาวจกรบุคคลหมายถึงอริยะบุคคลผู้ประพฤติธรรมหมายถึงประพฤติภาวนาธรรมที่ได้รับความสําเร็จในบุคคลเจริญโลกุตตระเจริญฌานน่ะเป็น ออกไปจากโลกนำไปสู่พระนิพพานเพื่อละทิฏฐิหรือปฐมภูมิใน 2 ก็คือทุติยภูมิ 3 ก็คือ 4 ก็คือจตุตถภูมิและ ซึ่งเป็นภูมิในทางนามธรรมอันในข้อ 1 และพยาบาทให้เบาบางลงอันนี้ก็เป็นชื่อของสกทาคามิมรรคที่เป็นเหตุให้บรรลุสกทาคามิผล 3 ประโยคาวจรบุคคลเจริญ ที่เป็นเหตุให้ได้อนาคามิผลนั่นเอง 4 ประโยคาวจรบุคคลเจริญโลกุตระเอ่อเจริญฌานเป็นโลกุตระอันเป็นเครื่องขอไป จุดที่เราจะต้องพิจารณากันก่อนก็คือท่านกล่าวถึงมรรค 4 ที่สหรคต อะไรมะขจิตปัญหาก็มีว่าฌานกับมรรคคืออย่างเช่นเอกคตาซึ่ง นิ่งอยู่ในอารมณ์มันจําอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์มันก็ส่วนมรรคนั้นเป็นเอ่อยกปัญญาเป็นหัวมาเข้าปนกันได้อย่างไรผมจะชวนให้ท่านพิจารณา เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการเจริญภาวนาธรรมเพื่อละกิเลสในพระพุทธศาสนาเอาออกไม่ได้อย่างเช่นการเจริญถ้าสมมุติว่าคนที่เจริญภาวนาเอากําหนดตั้งแต่เจริญธรรมาตะเอาศีลออกได้หรือไม่เราก็ตอบว่าออกไม่ได้ ฐานะของบุคคลนั้นว่าจะ 5 หรือรักษาศีล 8 นะฮะหรือรักษาศีล 227 หรือ 311 ก็แล้วแต่แปลว่าจะต้องมี 3, 3 อย่าง ต้องมีศีลแล้วก็ทําวิปัสสนาก็ต้องมีศีลศีลนั้นก็จะละเอียดละเมียดละไม ทำสมาธิไม่ต้องมีศีลหรือมีศีลข้อนี้ได้ไม่มีศีลข้อนี้ก็ได้ทำวิปัสสนามีศีลข้อนี้ว่าถ้าทําสมถะทําธรรมะถ้ามรรคกับศีลนั้นไม่ขัด ผมใช้ขัดกันหรือไม่อาจจะคว้างไปหน่อยฌานกับวิปัสสนาขัดกันหรือไม่อันนี้ให้คิด ทางผิดทางถูกมันอยู่ที่อธิบายอย่างไรที่ว่าขัดเอาที่ แล้วก็ฌานนั้นก็เป็นอารมณ์ให้ผู้ที่จะเดินวิปัสสนาเอามาเป็นอารมณ์ทําให้ รูปได้จานอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็อธิษฐานตอนก่อนจะเข้าจานเหมือนอย่างว่าจะ และพร้อมกันนั้นก็ขอให้วิปัสสนาญาณปรากฏสรคตด้วยฌานนี้ด้วย เป็นอัปปนาสมาธิก็ได้เรียกสมถะถ้าลองเข้าเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยแล้ว ที่ทั้ง 2 อย่างเนี่ยมันก็ได้เรียกว่าเป็นบาทใช้คําว่ามุ่งความสงบและความ นิ่งคือนิ่งในอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวและมิติเดียวมิติของอารมณ์นี้มี เป็นแต่ขณิกะสมาธิแล้วก็เป็นแต่อุปจารสมาธิ 2 ชั้นนี้นะไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิฉะนั้นถ้าหากว่าวิปัสสนาๆๆๆปัสสะปัสสะปัสสะปัสสะอย่างนี้นะรู้เวทนาเวทนาเวทนาแล้วก็ นะเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยอย่างไรก็ไม่นิ่งด้านเดียวอย่างนี้รู้อย่างด้านๆเรียกว่ารู้ใน <c oughs> ที่เหมือนกันอยู่อยู่กับที่ความจริงนะวิปัสสนาหยุดอยู่กับที่ก็ไม่เป็นอย่างนี้ตามอ่าเดี๋ยวผมจะพูด อย่างอื่นฉันไม่รู้ฉันจะรู้ปัจจาตัวเดียวผัสสะมันมาเที่ยวเกิด เอาอดีตมาต้องดูปัจจุบันเอาอดีตมาดูแต่วิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ดูอดีตต้อง ฝ่ายด้านอยู่ในความรู้สึกแต่ว่าจิตเมื่อวิปัสสนาจะเป็น เราจึงได้รู้กันมาแต่ไหนแต่ไรใครก็พูดว่าเมื่อบุคคลจะเข้าชาญในบาตรคือว่าดูๆแล้ว ก็กำหนดจิตให้เป็นฌานแล้วก็ดูอย่างนี้ทำอย่างนี้บ่อยๆทำอย่างนี้เนืองๆเรื่อยๆแต่เข้าฌานแล้วบรรลุได้ง่ายกว่าเพราะ ไอ้นามรูปอะไรผ่านเข้ามาก็ดูได้หมดเหมือนกับเราไม่ธรรมฌานนามรูปอะไรผ่านเข้ามาก็ดู แล้วก็ๆแง่หลายมุมนะดูตรงนั้นดูตรงนี้ดูตัวดูเหตุปัจจัยของมันดู แม้ว่าจะเพ่งไปที่อารมณ์แต่ไม่ได้เพ่งเพื่อดูอารมณ์เป็นอย่างไรแต่เพ่งเพื่อ เอาล่ะอันนี้ก็เป็นอันว่าเราเห็นแล้วว่า เหมือนตรงไหนเหมือนอย่างไรไหนเหมือนอย่างไรเหมือนตรงที่คนที่บรรลุมรรคนิ่งนิ่งตามว่านิ่งอยู่ในอะไรจิตก้น มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวมีลักษณะนิ่งอย่างนี้ทีแล้วมรรคจิตมีคุณค่าทาง โลกุตตรจิตที่อธิบายว่ามีนิพพานเป็นลมอยู่ในภาวะนิ่งหรือนะมันจะไปเป็นเหมือนกับฌานหรืออ่ะถ้าเหมือนกันแล้วเนี่ยเท่า <c oughs> ต่อไปก็เป็นคําตอบจะเป็นคําตอบวินิจฉัยว่าที่ว่าถือว่าเป็นปัญญาที่ คือถึงความไม่หลงถึงความไม่หลงแม้รับอารมณ์อย่างใดอย่างเดียวอยู่แต่ นิ่งอยู่ในอารมณ์ที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดแต่ไม่มี นั่งอมภูมิอยู่เขาไม่ได้โง่แล้วซึ่ง คนเนี่ยนิ่งไม่รู้ก็นิ่งเพราะไม่รู้ก็นิ่งก็ดูเออดีนะเค้ารู้จักอยู่ไม่ทุ่มเถียงไม่อวด ในที่ประชุมนั้นแต่เค้านิ่งนิ่งด้วยอํานาจของความฉิเหลวฉลาดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เขา ในส่วนนี้โดยไม่ขัดกันเพราะมี สอคตอยู่ด้วยกับปัญญาซึ่งไม่มีความโง่หลงเหลืออยู่เพราะว่าเมื่อบุคคลได้ 2 อย่างนะฮะ 1 เค้า 2 อย่างคือความสําเร็จทางกัญญาและความสําเร็จของการอบรมทางจิตที่นับว่าๆนั้นถือ สมถะกับวิปัสสนาเนี่ยจริงเป็นคุณสมบัติที่เหลืออยอย 2 อย่างที่ดีที่สุด วิปัสสนาและแม้อินทรีย์ตัวอื่นที่เหลืออย่างเช่นสติกรณหนทั้งวิปัสสนาหนทั้งสมถะแม้ ก็คือกลายเป็นสิ่งเดียวแต่ว่าบรรจบกันเลยเป็นว่าอย่างนี้คือกลาย ออกไปจากโลกที่บาลีที่คําว่านิยานิกะนิยานิกธรรมผม เป็นการออกทางจิตทางจิตเพราะว่าจิตเราอื่นแล้วไม่ใช่เป็นเครื่องนําออกออกจากโลกไปไหนก็ ไปจนถึงเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าออกไปอย่างเต็มที่กิเลสทุกอย่างละได้หมดอันนี้เป็นเรื่องของฌานที่เป็นโลกุตระท่านจึงเรียกว่า แปลว่าไหนมากผมได้ขมวดให้เห็นเป็นส่วนสังเขป 8 เนี่ยคือ แล้วก็ประกอบกระชาญก็ประกอบ 4 หรือ 5 แต่แต่อันนี้ 4 หรือ 5 ก็เนี่ย 2 2 จุดเนี่ยตามจริงก็เข้าไป 40 แล้วถ้า 5 นะ ะ, 5 โลกุตระ 8 คูณได้ฌาน 5 คือโสดาปัตติมรรคประกอบด้วยฌานที่ 1 ก็ดีที่ 2 ก็ดีที่ 3 ก็ดีที่ ประกอบประจานนั้นคือมรรคจะประกอบด้วยฌานที่ 1 แล้วผลของ แต่เมื่อเราได้ฌานครบ 5 เนี่ยรายจะเข้าฌานใดฌาน 1 เกินบาทมรรคก็ประกอบได้ฌานนั้นหรือถ้าๆของโลกุตตระ 40 เนี่ยคือ 5 ซึ่งมีคุณสมบัติๆประกอบอยู่นั้นด้วยว่าวิโมก 2 วิโมกที่แปลว่าความหลุดพ้นคือสุเนตวิโมกกับอัปปณีตวิโมกเดี๋ยว 4 ซึ่งมี ปัญญารู้เป็นข้อหนึ่งชาปฏิบัติลําบากรู้ได้ 4 คือความยิ่งใหญ่อนมีนี่ก็เป็นเนี่ยกว่าสมมุติ ไม่เหมือนกันครับถามว่าเหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนถือ ลักษณะธรรมชาติอื่นๆคุณลักษณะอื่นๆของโสดาปัตติมรรคที่เหมือนกันอันนั้น ยหมก 2 ก็ไม่เหมือนกันนี่เป็นกระแสแห่งปัจจัยด้านอื่นซึ่งแต่ละ หวามอันนี้เรายังไม่ได้ซอยให้เห็นเป็นอัน ว่าโสดาปัตติผลคู่กับโสดาปัตติมรรคเป็นต้นจนถึงอรหัตตมรรค 4 หรือ 5 อันนี้เรา 4 หรือ 5 อย่างไรทีนี้ที่ยังไม่ได้พูดกันเลย สมมุติว่าบุคคลบรรลุโสดาปัตติมรรคและโสดาปัตติผลที่ประกอบด้วยปฐมฌานเป็น ไม่ได้ยินได้ฟังในที่อื่นแล้วก็เรื่องราวจะมากไปคําว่าสุญญตากับอัปปนิหิตะหรือปนิหิตาที่แปลว่าไม่มีที่ตั้งหรือ อารมณ์ด้วยเป็นชื่อของตัวญาณที่เขาไปกําหนดอารมณ์นั้นด้วยคือคนปรุงจะลําดับความตั้งแต่คนธรรมวิปัสสนากันอ่าวิปัสสนาเป็นอย่าง โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะทั้งอนิจจังทุกขังและอนัตตา ทีนี้เมื่อบุคคลเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย และอีกอีกอย่างหนึ่งกดความรู้สึก จริงๆมันจะต้องเป็นเรื่องคู่กันน่ะแต่ว่าไอ้จุดเน้นที่คนทําเน้นเนี่ยเน้นไปผมจะเขียนกับญาณซึ่งคน ที่กําหนดอภิปัสสนาเนี่ยเราก็เอานามรูปแล้วแต่นี่คืออารมณ์นามรูปนี้เมื่อกําหนดอารมณ์ไปที่ มันก็ได้เห็นความจริงคือพอเห็น สัญญาในทางอย่างสาระมองเห็นเงินทองๆครับอย่างว่าจะมีเงินสัก 20 ล้าน 50 ล้าน 100 ล้านมันก็ไม่รู้จะไปทําอะไรคือพอมี เบื้องต้นเบื้องตามกลางที่สุดต่างๆเนี่ยตัวเองก็ไม่ไม่เห็นสาระไม่เห็นยิ่ง ประสบความสําเร็จยิ่งรวยมากยิ่งเนี่ยมีทางจะได้เงินได้ทองมากมันก็ยิ่งกลัวแล้วมันก็ยิ่งรู้สึกว่า แล้วมันก็ไม่รู้จะไปเอาเป็นสารณะไปหน่วง ดึงลงไปเน้นในตรงนี้ว่าไม่มีสาระๆถ้า เราเรียนธรรมะเอาตั้งแต่เรียนนามมาเลยนะจะมีพวกที่ตั้งพอยกประเด็นที่น่ารู้ขึ้นมา ได้อีกพวกเนี้ยจุดสนใจให้เขาจะทําตัวให้ๆนะ ทีเนี้ยอย่างเราเนี่ยบางทีมันมันมันมันสุดโต่งไปนะฮะว่าอยากจะแล้วก็เลิกสนใจเลยต่ําๆเนี่ย โดยไอ้คนที่อยากรู้เจอทางตัวเองเป็นอย่างไรไม่สําคัญเช่นอาจจะรู้เรื่องธรรมดีแต่เห็นแก่ตัวอย่า สักตัวนึงดีกว่าตั้งเยอะก็ก็มีเนี่ยมันอยู่ดีกับไอ้จุดสนใจกดคือไอ้ไอ้อยาก ได้รับฟังแล้วแหละอย่างใดอย่างหนึ่งจากความด้วยอํานาจกิเลสอันหนึ่งมันชักไปเสียทั้ง 2 ด้านถ้ากิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องมาก ถ้าเราจริงๆไม่ให้กิเลสมาอยากรู้เป็นธรรมฉันทาเราก็จะ นะเราเนี่ยอยากจะศึกษาว่าทําอย่างไรตัวถึง 2 อย่าง นะเห็นความไม่มีแก่นสารได้ความละตามหลังเห็นความที่ตัวเองเอ่อมีกิเลส ในผลปรากฏไม่ได้พูดว่าคนหนึ่งแต่เราเนี่ยเราเสมอเพราะมาเนี่ยได้มา 2 อย่างแต่เราสนแต่ถ้าตามติดใจมากก็ ยกตัวอย่างเช่นว่าเราอาจจะไปเพื่อจะไอ้เครือไอ้ เยอะกว่าแต่เราไม่ได้ติดใจเท่ากับได้รู้ๆที่เรามาได้จากที่นี่ ที่เป็นผลพลอยได้ที่เราไม่ได้ตั้งใจกลายเป็นสิ่งดีที่สุดที่เราภูมิใจที่สุดที่ได้มาซื้อบ้าน เมื่อคนทำนะฮะคือสุญญตวิโมกเนี่ยมันเป็นข้อแรกสุญญตวิโมกนั้นให้คุณรู้ต่อวิปัสสนาญาณรู้อารมณ์คือนามรูปว่าเป็น ไม่ได้พูดถึงรากกิเลสในสิ่งที่นอกฟ้าป่านิพพานแต่รากกิเลสในอารมณ์ที่รู้เพราะคนจะละกิเลสต้องละด้วยความรู้ก็เกิดการละนั้น ข้อ 2 เนี่ยส่วน 2 เนี่ยเป็นเรื่องของการเน้นคุณค่าทางการละกิเลสก่อน เอ่อผมเลยชวนให้ท่านที่เป็นนักปฏิบัติมองย้อนกลับไปนะถ้าบางคน เนี่ยบางเนี่ยไปก่อนไปทําวิปัสสนาเนี่ยมีปัญหาชีวิตเกี่ยวกับเรื่องความยึดติดบุคคลเป็นรูปกับตามเป็นคู่กรรมมัน แล้วก็เห็นทั้งอดีตปัจจุบันน้องก็เป็นอย่างนี้เรามาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรของเราเพราะเขา อธิบายว่าเขาไม่รู้อย่างนี้จึงได้เป็นอย่างนี้เพื่อนถ้าสนใจเออๆไหนมาจริงหรือ เนี่ยเรื่องอาจจะเชื่อว่าจริงถ้าตัวเองก็อยากจะรู้บังเป็นคนรักนี่จะรู้ก็ไป แตกต่างกันตรงนี้กันตรงไอ้แตกต่างกันสนใจเนี่ย 2 อย่างเนี่ยรู้กัน นามรูปว่าเป็นของศูนย์รูปว่าเป็นของศูนย์มรรคนั้นผลนั้นเป็นสุญญตาวิมุตติเป็นสุญญตาวิมุตติมรรคใดผลใดของบุคคลที่เจริญวิปัสสนาด้วย ไอ้ที่เราอธิบายเมื่อกี้เราอธิบายในชั้นของมรรคของวิปัสสนานะซึ่งความคิดเนี่ยมันมีการ โดยละเกินมรรคนั้นตอบได้เลยว่ามรรคนั้นไม่ได้ปรากฏไม่ได้มนติการวาระก็รู้เป็น วิกิเลสอะไรที่ตัวเองล่ะก็ไม่ได้มานั่งรู้ว่าฉันละกิเลสตัวนี้ 1 2 3 4 5 ฉันรู้ทุกข์ก็ทุกข์สมุทัยนี้โลดมรรคฉันรู้ครบหมดแล้วก็ดีก็ดีกันไม่ได้นั้นเร็วอย่างนี้ฉะนั้นจึงได้ใช้ ความรู้ชั้นคิดชั้นพิจารณาเนี่ยเป็นเรื่องลกโลกคิดมากโลกก็เป็นโลกิยะมังวิปัสสนาที่เรียกว่าเป็นภาวนามายซึ่งผิดกับจินตามยปัญญาเนี่ยเราก็แสดงว่าภาวนามายปัญญานั้นไม่ใช่คิด เราก็อาจจะนึกว่าวิปัสสนาเนี่ยเป็นภาวนาวินัยปัญญาไม่ใช่คิดอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะมีความหมายแตกต่างไอ้ไม่คิดเลยคือมะผลนะนั่นคือนิ่งเลยนี่ถือเป็นบุญเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่าน ผลโดดปลอกตารู้โดยไม่ต้องหาข้อมูลขึ้นมาเลยโผล่ออกมาเลยว่าเป็นอย่างนี้นี่คือ นี่เรามาดูว่าจินตามยปัญญาเนี่ยคือการคิดขานเอายังไงไม่โดนไม่เอาข้อมูลจะจริงๆ คนไม่ได้เห็นด้วยตาแล้วคิดข้าเนานะแต่ว่าอันนี้เป็นการคิดเหมือนคนที่ดูแล้วคิดดูอะไรอยู่แต่ตาเงี้ยแล้วก็คิดพิจารณาก็อยู่ในขอบเขตของความดูของความเห็นขณะนั้นไอ้จะไปคิดนอกเลยมั้ยอันนั้น และนั่นคือเป็นความแต่มรรคผลนั้นไม่ได้คิดอะไรจริงๆดีจริงๆเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นว่า 2 ไอ้เท่านี้นะ ที่กําลังเป็นอยู่ท่านสนใจสุญญตาหรืออัปปนิหิตะมากกว่ากันเราเฝ้าเฝ้าสังเกตตัว จุดอยู่ตรงไหนเราก็เอาตรงนั้นตรงนี้ก็เลยผมก็เลยย้ํามาว่าเอ่อเวลาเราเนี่ยเราก็จริงๆอย่างย่อ ความทุกข์มันเกิดจากความไม่รู้และเกิดจากกิเลสความสุขก็เกิดจาก ว่าคนที่เป็นสุญญตวิโมกเป็นอัปปนิทวิโมกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอันใดอันเดียวทั้งทั้งต้นมานี่นะก็เป็นปฏิปทาอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 อย่างทุกข์ขาปฏิปทาตัณหาปัญญาทุกข์ขาปฏิปทาจิตตาปัญญาสุขขาลําบาก พวกทําให้โททํายากพวกทําลําบากพวกทําลําบากทําด้วย ได้โดยไม่ยากเนี่ยรู้พวกนี้อ่ะพวกที่เนี่ยเป็นกําหนดขอบเขตส่วนได ปฏิปทาเนี่ยหมายถึงการเอาชนะปฏิบัติเอาชนะค่าสุดด้วยความยาก แกนอาพาธรายโปรดระวังคือเป็นมารเป็นกาสิแต่ไอ้ที่เป็นฆ่าสถจริงๆน่ะคือกิเลสถ้าคนไม่มีกิเลส กิเลสไกลแล้วแล้วก็เราไม่มีค่าศึกษาเราจริงอยู่ตรงนี้เองให้เป็นมิตรก็เพราะศัตรูที่เป็นศัตรูนั้นเพราะกิเลส ไอ้ของทั้งหลายมันเป็นข้าศึกก็เราได้เพราะเราไปเป็นข้าอย่างเช่นว่าสตรีเป็นข้าศึกของพระโยมอาจารย์ของพระก็เราอะไรเพราะพระมีกิเลส บรรพชายมีกิเลสใครเป็นข้าศึกใครนางบุณฑนาได้เป็นข้าศึกของนันทมานพเนี่ยโยม นวีราคานั้นคงจะไม่ไปเที่ยวปลาลานปลาแน่นอนอย่างหรืออย่างเอ่อหญิงโยมินีคนหนึ่งที่เป็นโดน้าบันคือนางศิริมาก็เหมือนกันที่ทําให้ ใครจะคิดหรือใครไม่คิดยังไงใครจะฆ่าจะคิดฆ่าคิดก็ <c oughs> จึงหมายถึงจะต้องต่อสู้กับค่าเสน่ห์ แต่ให้มันแปลกกว่าที่ที่อธิบายมาจริงๆแล้ว ว่าที่ท่านอธิบายถึงปฏิปทาท่านอธิบายว่ายังไงเอางี้ 4 ข้อความที่ท่านบอก 4 เนี่ยยังไง เป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญาคือว่าพระสารีบุตรกับพระพุทธกับพระภูมิมีพระภาค 4 ผล 4 ของท่านเนี่ยประกอบด้วยฌานที่ 5 มรรค 5 หมดโสดาปัตติมรรค ปฏิปทาของมรรคทั้ง 4 ที่ประกอบด้วยฌานที่ 5 ของท่านทั้ง 2 นี้เป็นปฏิปทาเดียวนี้ 4 แต่ฌานเดียวแล้วก็คือสุขะปฏิปทาคือข่มกิเลสได้ง่าย รู้ได้ต่อไปนะอันนี้ 2 ท่านแรกต่อไปนะฟังฟังบรรลุโสดาปัตติมรรคจากใคร บรรลุจากใครจากพระพุทธหรือจากจากใครฮะพระสารีบุตรบรรลุจากใครจากง่ายมั้ยฮะง่าย ทำมาฟังพร้อมกันกับบรรลุพร้อมกันแต่นี่ฟังทีละคนก็เลยบรรลุทีละคนแม้พระโมคคัลลานะนี่เนี่ยเวลาจะนอนตามไหนก็หันหัวไป <c oughs> ผมไม่ได้ไปถามท่านไม่ได้ถามกันไม่ได้ทวงกันเลยไม่ได้ แปลว่าพระโมคคัลลานะนั้นมรรคแรกดีที่สุดส่วนมรรคที่ เข้ามาครอบนมนิวรตัวนี้เข้ามาครอบนมพระโมคคัลลานะที่ดูแล้วนี่ถ้าเราไปทําแล้วจะได้ โอ้เวลาทํากรรมฐานเนี่ยใครไม่ทําไม่รู้หรอกทุกตัวง่วง เออจริงๆก็มาทั้งปีก็เอเราก็เหมือนก็หายง่วงแล้วใช่มั้ยฮะง่วงแล้ว นั่งหลับเนี่ยคือไม่ใช่ตั้งใจจะบอกหลับเองก็นั่งกรรมฐานแหละครับมันไม่ใช่คงนี่เอาเราเจอประวัติตรงนี้เข้า พอประทันไม่นานก็ได้บรรลุเลยนั้นถ้าใครง่วงก็คงนะตอนเนี้ยชี้หลายคน ดูก่อนโมกขลานะเธองงง่วงหรือที่เป็นพุทธธรรมดาที่ทรงตรัสถามก็เห็นอยู่ทําไมถามเนี่ย นี่เราต้องตามตัวเองเพราะอะไรยังไงควรอย่างไรก็แล้วแต่มีบางคนที่ไม่ถามเข้ามาไม่มาถามใช่บางคนก็ ตัวความซื่อตรงวจุกตาเข้ามามาตอบก็พฤติกรรมก็ ของภิกษุบางรูปเป็นทุกข์กาปฏิปทา อยู่ในการสังสมกิเลสอยู่ที่กัลยาณมิตรเข้ามาประกอบกันหลายปัจจัยด้วย บรรลุมรรค 4 ด้วยคือบรรลุมรรคที่ 1 ด้วยปฏิปทาที่ 1ๆก็ก็เป็นไปได้แล้วๆกันไปนะอันนี้เป็น จะอธิบายถึงตัวปฏิปทา 4 นั้นว่าปฏิปทา 4 แต่ละข้อแต่ละ พูดฝ่ายพูดมาแล้วก็คลิกหาหน้าไม่คือผู้ใดที่เป็นผู้กําหนดนะที่ ว่าเกิดกิเลสเข้าไปกวนนิพพาน 5 เอาเนี่ยด้วยความต้อง กลับไปต่อสู้กับวีรดต้องกลับมากําหนดดูด้วยกิเลสแทรกเข้ามาแล้วๆ นี่นี่เป็นข้อยืนยันนะว่าเออนี่เป็นกิเลสเราต้อง เอาล่ะทีนี้อันนี้มันในขั้นวิปัสสนา อันนี้ถึงว่าเราเราได้ยินบางครั้งเคยพูดว่าไอ้รูปกะละ ในขั้นของมีปัสสนาเนี่ยนะในขั้นของ แต่พอเราบรรลุและละกิเลสในขั้นวิปัสสนาได้แล้ว บางคนรู้และละได้แต่เดี๋ยวเดียวมรรคก็เกิดเลยเนี่ยท่านถือเป็นความรู้ที่ใช้คําว่าอภิญญาต่อท้ายคําเพราะ ว่าบาลามีที่จะทําให้รู้ขั้นมรรคเนี่ยยังไม่ถึงพร้อม อย่างหนึ่งอุปสรรคทางกิเลสอีกอย่างหนึ่งอุปสรรค ทั้งที่ใจสะอาดหมดจดด้วยนิพพาน นี่ในขั้นวิปัสสนาต่อมรรคเนี่ยจะบรรลุมรรค อันข่มจีรได้แล้วเนี่ยให้ถึงกำลังถึงกำลังสักกี่วันแล้วแต่หรือสักนานแค่ไหนก็แล้วเนี่ยพอสมควรคือ มีกิเลสเยอะแล้วก็พอปรามกิเลสนั้นได้อย่างพระองค์บริมานนะฮะให้อยู่ในศีล <c oughs> ที่เนี่ยมาพูดถึงเลยมันได้ได้ที่จริงปฏิบัติสะดวกปฏิบัติสะดวกเอ้ามาพิจารณาคนปฏิบัติสะดวกเป็นคนอย่าง ไปต่อไปไม่สะดุดอ่ะเหมือนวสินะเนี่ยเขาจะทําฌานเป็นบาดและอธิษฐาน ไอ้วะสีเนี่ยคืออะไรวะสีไม่ได้พูดว่านิรวรแล้ว ปฬารามธรรมดาที่ไม่มีนี้ก็เป็นปฬาราม สารีบุตรไม่เป็นสัพพัญญ์ไม่ได้สัพพัญญุตญาณตโมกขลานะไม่ได้สัพพัญญุตญาณอย่างที่พระอุตตจาบได้ 2 อย่างขั้น อันเป็นขั้นจำเป็นอย่างอื่นไม่สนใจสุดคืออบรมกรรมฐานเพื่ออบรมความดีเพื่อ ขอเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายขอเป็นอัครสาวกเบื้องขวาขอเป็นผู้ได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคคะ หมอแม้คนอยากปรนิพพานตัวไม่สั่นหรอกบางคนที่เขาอยากจะเป็นไหมไอ้นี่โลภมากนี่ไม่เห็นภัยใน ไอ้คนอยากไปนิพพานไวก็คนอยากจะสร้างๆกันหรอกนะฮะจริงๆก็ไม่ได้มีๆกัน ทีนี้ถึงว่าปฏิปทาเนี่ยผมขอจะเน้นตรงนี้นิดนะว่าบรรลุ แลธรรมกนกำหนดนามและรูปเนี่ยจับนามและรูปลักษณะนามและรูปก็ช่างช้านะแยกแยะได้ชา กิเลสชั้นญาณแต่ละญาณมันก็เข้ามากวนกวนมากกว่าว่าญาณ 1 กวนน้อยญาณ 2 เนี่ยท่านก็ไล่ไปจนกระทั่งถึงญาณ 4 แล้วเหมือนกันเห็นลักษณะช้ากิเลสกวนเยอะจนกระทั่งไปถึงสังขารุเปขขาญาณนะเนี่ยเป็นปฏิปทาเป็นชื่อของวิปัสสนา ที่ไม่เหมือนกันก็เลยอธิบายเอาไว้ มีความยิ่งความหย่อนไม่เท่ากันตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีปัญหาที่ตอบได้ยากเรื่องหนึ่งแหละคิด